อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศา ส, สดาของโลกสิ่งที่ทําให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ตัดสินพระไทยออกบวชก็คือเทวทูตสีเทวทูตสี่คืออะไรคือ 1. เห็นคนแก่ 2. เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย 3. เห็นคนตาย 4. เห็นนักบวช น, นี่เรียกว่าเทวทูตสี่ เทวทูตก็แปลว่าผู้ส่งข่าวจากสวรรค์นั่นเองสวรรคนี้ก็สวรรค์ชั้นวิสุทธิเทพคือสวรรค์ชั้นนิพพานคือข่าวสารที่ส่งมาจากพระนิพพานจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายส่งข่าวมา เตือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่ให้หลงไหลอยู่กับความสุขทางร่างกายเพราะเจ้าชายสิทธัตถะกำลังเป็นหนุ่มมีกำลังวังชามีความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้ มีทรัพย์สมบัติของราชกุมารไว้เสพไว้ให้ความไว้ให้ความสุขถ้าไม่ส่งทูตมาเตือนก็จะหลงไหลอยู่กับความสุขทางร่างกายแล้วก็ต้องทุกข์ต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่ ร่างกายเจ็บและร่างกายตายเรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี่ข่าวสารจากพระนิพพานจากสวรรค์ชั้นนิพพานเทวานี่ก็มามามาจากคำว่าเทพเทพนี้ก็มีสามชนิดด้วยกันเทพที่เป็นดวงวิญญาณ แล้วอยู่ในสวรรค์เราก็เรียกว่าเทพเราก็มีสมุติเทพสมุติเทพก็คือพระเจ้าแผ่นดินเราจะเรียกพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วก็วิสุทธิเทพคือเทพที่มีใจที่สะอาดผู้ที่มีใจสะอาดบริสุทธิ์ก็คือพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเทวดตนี้ก็คือทูตตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระอาหารหันต์มาส่งข่าวให้พวกเราที่อยู่บนในบนโลกนี้ให้รู้ว่าถึงเวลาที่เราควรที่จะเลิกใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขกันเพอาะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองถ้าเราไม่เห็นคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายก็เหมือนเราไม่มีกระจกสองหน้าเราถ้าเราไม่มีกระจกเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรแต่พอมีกระจกเราก็จะได้เห็นหน้าตาของเราว่าเป็นอย่างไร เวลาแต่งเนื้อแต่งตัวเรามักจะต้องดูกระจกกันดูว่าวิผมเรียบร้อยไหมดูว่าล้างหน้าล้างตาสะอาดไหมมีขี้ตามีขี้มูกติดอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีกระจกก็จะไม่รู้มองไม่เห็นพวกเราที่เป็นคนหนุ่มคนสาวคนที่มีกำลังวังชา ถ้าเราไม่เห็นคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายเราจะไม่เห็นตัวเราเราจะคิดว่าเราเป็นคนหนุ่มคนสาวเราคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดแต่พอเราดูกระจกดูหน้าตาของเราต่อไปที่จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายมันก็จะได้ บอกให้เรารู้ล่วงหน้าว่าต่อไปเราจะไม่สามารถทําอะไรอย่างที่เราสามารถทํากันได้อยู่ในขณะนี้ yeah. พอถึงเวลานั้นพอเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเรา เห็นอนาคตของร่างกายว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราพึ่งมันไม่ได้เราก็ควรหาเปลี่ยนที่พึ่งดีกว่าหาที่พึ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่าที่พึ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือธรรมะนี่เองธรรมะคืออะไรก็คือความสงบของใจคือธรรม ธรรมที่ชนะลดทั้งปวงลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงก็คือลดของความสงบการที่จะเข้าถึงลดแห่งธรรมได้ก็ต้องไปเป็นนักบวชถ้าอยู่เป็นค้าราชาผู้ครองเรือนก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสงบ สร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่อยู่ในนิพพานเลยส่งทูตมาเตือนพวกเราส่งให้ส่งคนแก่มาให้เราดูส่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาให้เราดูส่งคนตายมาให้เราดูแล้วก็ส่งนักบวชมาให้เราดูเพื่อเราจะได้ รู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ถ้าส่งมาแล้วเราไม่เปิดดูก็เหมือนเวลาคนส่งจดหมายมาแต่เราไม่เปิดดูจดหมายเราก็จะไม่รู้ว่าจดหมายนี้มีข่าวสารว่าอย่างไรเช่นเดียวกันเวลาที่เทวทูตส่งจดหมาย เทวทูตนำจดหมายมาจากพระนิพพานมาให้กับพวกเราถ้าเราไม่เปิดจดหมายดูเราก็ไม่รู้ว่าจดหมายนั้นว่าอย่างไรมีข้อความว่าอย่างไรก็เช่นเดียวกับเวลาที่เราเห็นเทวทูตสี่เวลาเราเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชแต่เราเห็นแล้วเราไม่ได้คิด เราไม่ได้โอปนญยิโกเราไม่ได้น้อมเอาคนแก่เข้ามาที่ตัวเราก็เหมือนกับเราไม่ได้เปิดดูจดหมายคือเราไม่คิดว่าเราเวลาเราเห็นคนแก่เราก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะต้องแก่เหมือนเขาเวลาเราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเขา เวลาเห็นคนตายเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนตายเหมือนกับเขานะถ้าเห็นแล้วเราไม่น้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเราก็เรียกว่าเราไม่ได้เปิดดูจดหมายมีจดหมายมาแต่ไม่ได้เปิดดูเลยไม่รู้ว่ามีข่าวสารมีข้อความอะไร เป็นข้อความเตือนสติเตือนใจพวกเราให้รู้ว่าอนาคตของพวกเรานี้มีความทุกข์รอเราอยู่อย่าเปรียบเทียบว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเหมือนลูกระเบิดเวลาก็ไม่ต่างกันถ้าเรารู้ว่าเรามีลูกระเบิดเวลาอยู่ในบ้านเราเราจะทําังไงเราต้องรีบไปหาผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยแกะสลักทำให้ลูกระเบิดมันด้านไม่ให้มันระเบิดเพราะเวลามันระเบิดแล้วมันทำความเสียหายให้กับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยร่างกายของเราก็มีระเบิดเวลาเราเราอยู่เนี่ยมีความแกร่รอเราอยู่เดี๋ยวมันจะระเบิดมีความเจ็บไข้ได้ป่วยรอเราอยู่มีความตายรอเราอยู่ ต้องมองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการรับอ่านข่าวสารของเทวทูตถ้าดูเฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคนแก่ก็เรื่องของคนแก่คนเจ็บก็เรื่องของคนเจ็บไม่เกี่ยวกับเราคนตายก็เรื่องของคนตายไม่เกี่ยวกับเราอันนี้แสดงว่าไม่ดูเรื่องไม่ได้เปิดดูข้อความไม่เข้าใจความหมาย ของการเกิดของความแก่ความเจ็บความตายนี้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรเนี่มันมีไว้เพื่อให้เราเห็นอนาคตของเราเห็นปัญหาของเราเห็นระเบิดเวลาที่มันจะระเบิดใส่เราเราควรจะทำอย่างไรกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ ถ้าเราเห็นตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่มันก็ทําให้เรามีเวลามากที่จะมาแก้ปัญหาถ้าไปเห็นตอนที่แก่ที่เจ็บที่ตายแล้วนี้มันอาจจะสายเกินไปเพราะเวลาแก่หรือเวลาเจ็บหรือเวลาตายนี้จะไม่สามารถอปฏิบัติทําได้ จะไม่สามารถหาที่พึ่งอย่างอื่นมาแทนร่างกายได้ต้องมาต้องเห็นข่าวสารตั้งแต่เราเป็นหนุ่มหรื อ, อยังเป็นเด็กนี่แล้วมันจะทำให้เรามีเวลาอย่างเราเองส่วนตัวเราเองเราก็เห็นคนตายตั้งแต่ตอนอายุสักสิบสองขวบมีเพื่อนนักเรียน ความจริงเขาไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดียวกันแต่เขาเป็นพี่ชายของเพื่อนเองเขาไปเรียนที่สหรัฐตอนนั้นแล้วเข้าไปจมน้ำตายเขาก็เอาศพกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาทำพิธีเราก็เป็นเพื่อนกับน้องชายของศพก็ไปร่วมงานศพเขาก็เป็นนับถือาศาสนาคริสต์ เวลาไปงานศพเขาก็จะเปิดลรงศพให้ดูคนตายให้เราไปคารวะศพพอเราไปเห็นแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราทันทีโอ้ยต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเราเท่านั้นคนทุกคนที่เราอยู่ด้วยรักที่เรารักเราชอบเราเป็นห่วงเป็นยายนี่เดี๋ยวต่อไปก็ต้องตายกันหมด ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นใครก็ตามที่เรารู้จักมันคิดไปเองนะมันไม่มีใครสอนมันดูแล้วมันก็เห็นความเป็นจริงของชีวิตแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เศร้าโศกเสียใจหรือหวาดกลัวมันเหมือนกับเป็นการดูหนังสืออ่านหนังสือ อ่านความจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ค่อยที่จะวุ่นวายไปกับอะไรมากนักเพราะรู้ว่ายังไงเดี๋ยวก็ตายเลยไม่ค่อยวุ่นวายกับการที่จะต้องเป็นนู่นเป็นนี่ต้องร่ำต้องรวยต้องเป็นใหญ่เป็นโตต้องมีความสุขมากๆ เราขอให้อยู่ไปวันๆแล้วก็ไม่มีปัญหาก็พอแล้วอยู่พอกินพออยู่ไม่เดือดร้อนไม่มีเรื่องมีราวอะไรกับใครนี้ก็พอแล้วไม่เคยคิดที่อยากจะล่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากจะมีหน้ามีตามีเกียรติมีชื่อเสียง อยากจะมีความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันเห็นว่ามันก็ชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆมีหน้าที่อะไรต้องทําก็ทําตามหน้าที่ไปต้องเรียนหนังสือก็เรียนไปเรียนจบไปเรียนต่อได้ก็ไปเรียนต่อ แต่พอเรียนจบมาแล้วมันก็หางานทํามันก็หาแบบเรื่อยๆมีได้ก็ทําไม่มีก็ทำํำพอได้งานทําถึงแม้จะไม่ได้เป็นงานที่เราเรียนจบมาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอให้มีไรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วก็โชคดีได้มีคนมีหนังสือธรรมะมาให้อ่าน มาพูดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยและบอกวิธีที่จะแก้ปัญหาของความแก่ของความเจ็บของความตายคือต้องเลิกพึ่งร่างกายถ้าเราไม่พึ่งร่างกายเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายมันจะไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อน ถ้าเรามีที่พึ่งใหม่เหมือนถ้าเรามีบ้านใหม่บ้านที่ไม่มีระเบิดเวลาอยู่บ้านเก่าที่มีระเบิดเวลาเราก็อย่าไปอยู่มันย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านอยู่บ้านนี้เดี๋ยวมันระเบิดไปอยู่บ้านที่ไม่มีลูกระเบิดนะฮะ พระพุทธเจ้าทำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาสร้างบ้านใหม่กันมาเปลี่ยนที่พึ่งใหม่กันเปลี่ยนจากการพึ่งร่างกายมาพึ่งธรรมะกันมาทึ่งความสงบลถแห่งธรรมชนะลถทั้งป่วกแล้วก็สอนวิธีสร้างบ้านใหม่คือมากคแปด วิธีสร้างมากักแบบวิธีจะสร้างบ้านใหม่ต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างที่พึ่งอันใหม่ที่ปลอดภัยจากความแก่จากความเจ็บจากความตายที่พึ่งอันนี้ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายคือความสงบของใจ ใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจตอนนี้ต้องพึ่งร่างกายเลยทำให้ใจวุ่นวายเพราะการพึ่งร่างกายก็มีแบบบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้บางทีอยากได้สิ่งนั้นบางทีก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่มีความสุข พอได้ก็มีความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่อยากได้อย่างอื่นต่อแล้วเดี๋ยวพอแก่ก็จะไม่ได้เลยพอแก่พอเจ็บพอตายนี้ก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งหาความสุขได้ต่อไป น, นี่คือสารจากเทพจากเทเทพ จากวิสุธทธิเทพข่าวสารจากพระนิพพานส่งข้อความมาให้พวกเราเปิดดูกันในอีเมลเปิดดูว่ามีความแก่มีความเจ็บมีความตายรอเราอยู่มีนักบวชรอเราอยู่ถ้าอยากจะเปลี่ยนที่พึ่งจากร่างกายไปพึ่งธรรมะก็ต้องออกบวช ตั้งไปปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าฉลาดพอได้เห็นพ อ, พอได้ข่าวจากจากเทวทูตท่านเข้าใจเลยท่านรู้ว่าต้องทำอย่างไรพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายท่านน้อมเข้ามาที่ร่างกายของท่านทันทีว่าต่อไปร่างกายของเราก็ต้องแก่ร่างกายของเราก็ต้องเจ็บ ร่างกายของเราก็ต้องตายพอถึงเวลานั้นเราจะไม่สามารถหาความสุขได้เลยจะมีแต่ความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแล้วพอเห็นนักบวชก็เลยเห็นทางออกเห็นตอนต้นเดินไปเห็นคนแก่ก่อนแล้วต่อไปเดินอีกไปสักพักก็เห็นคนเจ็บนอนอยู่หน้าบ้านร้องโอดครวญคราง พอไปพักหนึ่งก็เห็นขบวนแห่ศพแล้วเดินไประยะหนึ่งก็เห็นนักบวช น, นี่เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าพระราชบิดาห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกมาข้างนอกวังเพราะว่าเจ้าชายสิทพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนี้ไม่อยากจะให้ เจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูตสี่อกลัวว่าถ้าเห็นเทวทูตสีแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเป็นนักบวชตามคำทำนายคือตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาใหม่ๆพระราชบิดาอยากจะรู้อนาคตของลูกว่าจะเป็นอะไรก็เรียกพวกหมอดูมาดูดวงชะตา ของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหมอดูหลายคนก็มีความเห็นอยู่สองความเห็นด้วยกันว่าถ้าไม่ได้ออกบวชได้อยู่เป็นกษัตริย์ก็จะเป็นมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะเป็นบาลมสาสดาเป็นเป็นผู้หัวหน้าทางศาสนา นี่พระราชบิดาอยากจะให้ลูกเป็นมหาจากักรพรรดิไม่อยากให้ออกบวชแล้วก็รู้ว่าคนที่เขาบวชกันก็เพราะเขาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายกันก็เลยห้ามไม่ให้เจ้าชายศิทิธรรออกไปนอกวังแล้วห้ามคนแก่คนเจ็บคนตายห้ามนักบวชเข้าไปในวังคนที่อยู่ในวังนี้จะมีแต่คนหนุ่มคนสาว คนรูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเหลาคนพิการคนแข้งขาดคนหูหนวกคนตาบอดคนอะไที่ไม่น่าดูนี้จะไม่ให้เข้าไปในวังเพื่อจะได้ห้อมล้อมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะให้หลงไหลอ ย, อยู่กับความสวยความงามของโลกนี้ให้หลงไหลกับความสุขที่ได้เสพสัมผัสกับของที่สวยที่งามแต่อยู่ไปนา น, าน มันก็เบื่อของมันจะวิเศษขนาดไหนถ้าเห็นจำเจซ้ำซากมันก็เบื่ออาหารที่เราชอบเนี่ยลองให้กินทุกวันดูนะกินวันละสามมื้อดูเดี๋ยวไม่เกินเดือนหนึ่งก็ไม่กินแล้วกินไม่ลงนะเพราะว่าอะไรก็ตามของในโลกนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้มีความสุขไปตลอดนะมันให้ความสุขเรา ชั่วคราวแต่ถ้าเราต้องสัมผัสกับมันบ่อยๆจนจําเจนี่มันมันไม่มีความดดเดิอมใจเหมือนตอนนานๆเราสัมผัสสักครั้งหนึ่งเวลานานๆสัมผัสในสิ่งที่เราชอบนโอยอร่อยอร่อยนะ่ากินแต่ถ้าเราเสพทุกวันกินทุกวันนี้เดี๋ยวก็เบื่อเนียเจ้าชายสิทธัตถะก็มีอาการเบื่อวังเบื่ออยู่ในวัง ก็อยากจะรู้ว่านอกวังเขามีอะไรบ้างแต่ถูกห้ามไม่ให้ออกไปแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมีกําลังมากกว่าก็เลยหนีออกไปเที่ยวข้างนอกมีคนติดตามไปคนเดียวก็เลยไปเห็นอะไรต่างๆภายนอกเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวช ซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมามันก็เลยเป็นภาพที่สะเทือนใจโดยเฉพาะเมื่อมาคิดว่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องเป็นอย่างนั้นร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าไม่อยากที่จะต้องรับความทุกข์จาก ความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่พึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้า ต, ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไปไม่ได้เราจะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคนแก่มักจะถูกปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียว คนหนุ่มคนสาวก็ต้องไปทำงานทำการไปทำธุระไปอะไรของเขาเอาคนแก่ไปด้วยไม่ได้คนบ้าแก่อยู่บ้านคนเดียวก็เหงาซึมเศร้านี่คนแก่ถึงอยากจะฆ่าตัวตายนะงานอยากฆ่าตัวตายก็แสดงว่ามันไม่มีความสุขร่นางกายไม่ได้ให้ความสุขกับเขาแล้วก็ฆ่ามันดีกว่านี่เป็น เทวทูตเนี่ยแล้วพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วพอไปเห็นนักบวชเข้าก็เลยรู้ว่า อ, อ๋อนักบวชคือผู้ที่ไปหาที่ไปหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแทนร่างกายไปหาความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของนักบวชคือต้องไปถือศีล ต้องไปฝึกสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบใจก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้มีความสุขจากการนั่งหลับตาทาใจให้นิ่งไม่คิดเรื่องถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆความอยาก ได้ความสุขจากเรื่องราวต่างๆก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปทำให้อยู่เฉยๆได้ถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำใจให้สงบอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ก็อยากที่จะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มขึ้นมาพออยากแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่แล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจก็ต้องไปทําตามที่อยากทำนะอยากกินอะไรก็ต้องไปหามากินอยากดูอะไรก็ต้องไปหามาดูถึงจะทําให้ความหงุดหงิดําคาญใจหายไปได้คนส่วนใหญ่จึงอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่เฉยๆแล้วมันอยากอยากทํานูน่นอยากทํานี่อยากไปนูน่นอยากไปนี่ ก็ต้องไปถ้าอยู่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันจะทรมานใจแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วทำใจให้นิ่งได้เราจะไม่ทรมานใจเราจะไม่ต้องไปทำอะไรให้เหน็ดเหนื่อยเพื่อไปหาความสุขแบบชั่วคราวกันสู้มานั่งเฉยๆแล้วมาควบคุมความคิดหยุดความคิดดีกว่าถ้าเราควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ ความอยากก็ไม่เกิดความอยากมันต้องรอให้เราคิดก่อนพอคิดถึงขนมหนึ่งจะอยากกินขนมขึ้นมาพอพูดคาว่าขนมนี่น้ำลายมันเริ่มไหลออกมาแล้วเนี่ยมันเร็วอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเมื่อกี้ไม่ได้คิดมันก็ไม่มีความคิดที่อยากจะกินขนมขึ้นมานี่คือการเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการกินขนมจากการดื่มกาแฟจากการดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการมาควบคุมความคิดต้องหยุดความคิดมาฝึกสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึง่ง เรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้วท่านรับประกันว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบเพราะท่านเคยเป็น ลูกของพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนความสุขที่สูงสุดในโลกนี้ก็อยู่ที่ในวางนี้เองใช่อยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่ลูกของพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็พอได้มาสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบท่านบอกว่ามันต่างกันคนละโลกเหมือนฟ้ากับดิน ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหมือนฟ้าส่วนความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายนี่เหมือนกับดินสู้กันไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ติดนี่แหละท่านถึงบอกว่านัตติสันติปรังสุขขังแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาไปหาความสุขจากความสงบนี้ไม่มีใคร รู้วิธีหาความสงบแบบถาวรรู้แต่วิธีหาความสงบแบบชั่วคราวคือการเข้าสมาธิเข้าฌานเวลานั่งหลับตาควบคุมใจด้วยสติเช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้พอไม่คิดเดี๋ยวใจก็สงบนิ่งลงหยุดคิด พอหยุดคิดก็เกิดความสุขขึ้นมาเพราะว่าความอยากที่สร้างความไม่สงบสร้างความไม่ไม่สุขนี้มันหยุดทำงานพอมันหยุดทำงานใจก็เลยสุขขึ้นมาแต่มันก็สุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกมาจากสมาธิใจก็เริ่มคิดพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เกิความอยากต่างๆขึ้นมาก็ทําให้ความสงบนั้นหายไปไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้ใจสงบต่อหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วพระพุทธเจ้านี้อยากจะให้ใจสงบตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วมเมื่อไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆ ก็ไม่มีอาจารย์รูปใดรู้จักวิธีทำใจให้สงบตลอดเวลารู้แต่วิธีทำใจให้สงบด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานเท่านั้นโอ้ก็เลยต้องมาศึกษาค้นคว้าหาหาวิธีว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ใจนี้สงบตลอดเวลาก็ส่งคนพบว่าสาเหตุที่ใจไม่สงบ เวลาออกจากสมาธิมาก็เพราะความอยากนี่เองพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็เริ่มอขุ่นมัวขึ้นมาเริ่มว้าวุ่นขึ้นมาเริ่มเริ่มมีความกังวลกวายขึ้นมาอยากจะได้อะไรนี่เวลเวลาที่ยังไม่ได้เนี่จะรู้สึกกังวลก歪นี่แหละท่าทั้งสองคนพบว่า ตัวที่มาทําลายความสงบเวลาออกจากสมาธิก็คือความอยากสามชนิดด้วยกันคือความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าความความอยากเสบกามกามตันหาแล้วก็ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ ทุกคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากน่ำอยากรวยอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีหน้ามีตาอันนี้ก็เป็นความอยากที่จะทำให้ใจวุ่นวายแล้วก็ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากนี้ก็ทำให้ใจวุ่นวายนี่คือต้นเหตุที่มาทำให้ใจไม่สงบเวลาออกจากสมาธิมา แล้วพระองค์ก็ส่งค้นหาวิธีว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะทำให้ใจให้ความอยากนี่มันหายไปวิธีแรกก็คือของวิธีสติก็หายชั่วคราวเวลาเราพุทโธพุทโธดูลมหายใจเราก็หยุดคิดได้พอหยุดคิดความอยากก็หายไปความวุ่นวายใจก็หายไปความสงบก็เกิดขึ้นมาความสุขก็เกิดขึ้นมา แต่พอหยุดดูลมหยุดพุทธโธต้องไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่พระองค์ก็เลยส่งคนพบว่าก็ต้องสอนให้ใจคิดแบบไม่วุ่นวายคิดแบบไม่อยากวิธีที่จะคิดแบบไม่อยากให้คิดยังไงก็ให มองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่ความจริงมันไม่ดีหรอกมันไม่ได้สุขตลอดเวลาสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราที่เราอยากได้มันให้ความสุขกับเราชั่วคราวให้มาแล้วได้มาแล้วก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปพอมันหายไปความไม่สบายใจก็กลับคืนมาอีก เราก็เลยต้องไปหาใหม่อีกเช่นดื่มกาแฟถ้วยนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากดื่มกาแฟก็หายไปความอยากดื่มกาแฟอันใหม่ก็คือโผล่ขึ้นมาอีกก็ต้องคอยไปหากาแฟมาดื่มเรื่อยๆแต่ต่อไปบางทีกาแฟมันอาจจะหมดก็ได้เวลาไม่มีกาแฟดื่มก็ทีนี้จะทำยังไงหรือเวลาร่างกาย เจ็บไข้ได้ป่วยดื่มกาแฟไม่ได้จะทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันแบบนี้เราจะทำให้เราเลิอกอยากได้อย่าไปอยากกาแฟอย่าไปอยากบุหรี่อย่าไปอยากอะไรทั้งนั้นมันเป็นเหมือนยาเสพติดนะเพราะว่าอยากแล้วมันทำให้เราอยากไปเรื่อยๆไม่ใช่ได้มาแล้วจะทำให้เราพอไม่มีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ มันจะทำให้เราพอได้อยากได้อะไรมาแล้วมันจะทำให้เราอยากเพิ่มขึ้นเขาพูดกันว่าได้คืบแล้วก็อยากได้สอกได้สอกแล้วก็อยากได้วาใช่ไมมีเงินแสนก็อยากจะมีเงินล้านใช่ตอนเกิดมาใหม่ๆไม่มีเงินเลยใช่ไทำไมอยู่กันได้ตอนเป็นเด็กก็ไม่ต้องมีเงินใช้อาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูก็อยู่ได้ แต่พอเริ่มมีเงินแล้วทีนี้ตอนต้นก็พ่อแม่ให้ใช้เงินก่อนใช้ไ่สักพักเดี๋ยวโตวขึ้นอีกหน่อยก็ไม่พอใช้แล้วอยากจะขอเพิ่มนึลพอเรียนจบไปทางานได้เงินเดือนก็ดีใจโอ้ได้เยอะแยะเลยเยอะกว่าที่เคยได้พอทำไปสักพักไม่พอใช้แลอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกแล้นี่แหละความอยากมันไม่มีวันพอ ความอยากมันไม่มีขอบเขตเหมือนน้ำานะ่าเหมือนมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรนี่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันยังมีขอบมันไม่มันไม่มีแบบว่าขยายตัวแต่ความอยากของเรานี่มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆพอได้เงินระดับพันทีนี้ก็อยากจะได้ระดับหมื่นพอได้ระดับหมื่นก็อยากจะได้ระดับแสนได้แสนก็อยากจะได้ล้าน ได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านเนี่ยได้จนเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่หนึ่งของโลกก็ยังไม่พอก็ยังอยากได้ความอยากของของใจมันท่านเปรียบท่านพูดให้ฟังว่าความอยากเบื้องต้นคืออยากมีกินมีอยู่ไม่เดือดร้อนพอมีกินมีอยู่แล้วก็อยากร่ำรวย พอร่ำรวยแล้วก็อยากจะมีอายุยืนยาวนานจะได้รวยไปนานๆแล้วพอเวลาตายก็อยากจะไปสวรรค์นั่นเองพอแก่ก็เลยเริ่มทําบุญกันนะ่ะเตรียมเื้อตั๋วไปสวรรค์กันนะไปสวรรค์ก็อยากจะอยู่บนสวรรค์นานๆแต่มันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องตับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่อืม นี่คือใช้ปัญญานี่คือปัญญามองความจริงมองให้เห็นว่าถ้าเราทำอะไรตามความอยากแล้วเราจะได้ความพอใจชั่วคราวพอใจเดี๋ยวเดียวตอนที่ได้เสพใหม่ๆว่า ไ, ได้อะไรได้มาใหม่ๆดีใจไม่ต้องการอะไรแล้วได้สิ่งนี้ดีใจเล่นกับมันอะไรกับมันไปสักพักเดี๋ยวพอเบื่อแล้วทีนี้อยากจะได้อย่างอื่นอย่างใหม่นะแล้ว อ, อย่างเก่าได้มาแล้วหมด สูบบุหรีม่มวลนี้หมดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้บุหรีม่มวนใหม่อีนี่นี่คือแล้วพอไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์ใช่ไหมพอบางทีต่อไปมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีเงินหมดจะทำยังไงคยใช้เงินซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อความสุขต่างๆเดี๋ยวพอเศรษฐกิจตกต่าหรือทำธุรกิจล้มเหลวึ้นมาไม่มีเงินแล้วสิทีนี้จะทำยังไงทีนี้ก็ทุกข์เท่านั้นน่ะ แล้วก็อยากคิดค่าตัวตายกันเพราะไม่รู้จะอยู่อย่างไรสิ่งที่เราเป็นอาศัยเป็นที่พึ่งพึ่งมันไม่ได้พึ่งเงินทองไม่ได้หรือร่างกายเป็นนะโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นโรคเอสดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นอมัอมาพาตอัมภาพพิกลพิ ก, การขึ้นมาหูหนวกตาบอดขึ้นมาอตอนนั้นอ่ะมันก็จะทุกข์มาก เราก็จะคิดไปในทางที่ไม่ถูกนะการคิดค่าตัวตายก็เป็นการคิดที่ไม่ถูกเพราะมันไม่ได้ไปลดความทุกข์ในใจให้น้อยลงการฆ่าตัวตายไปเพิ่มความทุกข์ในใจให้มีมากขึ้นแต่เราไม่รู้จักธรรมชาติของใจเราคิดว่าพอร่างกายตายไปใจเราก็จะหายทุกข์กับร่างกายมันไม่หายนะมันจะไปทุกข์กับบาปที่เราทา เวลาเราทำบาปน่ใจเราสบายไหมใจไม่สบายเวลาค่าตัวตายนี่เรายิ่งจะทุกข์มากกว่าเดิมนี่คือปัญหาที่จะตามมานี่คือการใช้ปัญญาที่จะทำให้เราเลิกความอยากได้สู้ไปถ้าอยากจะมีความสุขก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิดีกว่าอยากจะดื่มกาแฟก็เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า อย่าไปเป็นทาตของกาแฟเลยเพราะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งไม่มีกาแฟดื่มแล้วมันจะทุกข์แต่นั่งสมาธินี้เราสามารถนั่งได้ทุกแห่งทุกขนทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยกาแฟไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา<ม>ต้องการความสุขเมื่อไหร่ก็พุโทโธพุโทโธดูลมหายใจหยุดความคิด ใจก็สงบนะพอเราใช้วิธีนี้ต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหายไปความอยากมันหายไปเพราะเราไม่ไปสนับสนุนมัน ừ, ừ, พอวันนี้อยากได้พอเราไม่ทําตามมันเพิ่งนี้ความอยากมันจะเบาลง ừ, จะอ่อนกําลังลงแล้วพอครั้งที่สามันยิ่งอ่อนลงไปเรื่อยๆครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเดี๋ยวมันหายไปละ เพราะว่ามันอยากแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่รู้จะมาทำไมเชหมือนคนที่มาขอเงินเราเนี่ยถ้าเราให้มันพรุ่งนี้มันกลับมาหาเราไหมถ้าพรุ่งนี้มาเราให้มันอีกมัลลนนี้มันก็กลับมาหาเราอีกแต่ถ้ามันมาวันนี้เราไม่ให้มันพรุ่งนี้มันมาเราก็ไม่ให้มันอีกเดี๋ยววันที่สามวันที่สี่มันไม่มานะเพราะมาแล้วมันไม่ได้มันรู้จะมาให้เสียเวลาทาไมความอยากก็แบบเดียวกัน พอเราไม่ตอบสนองความต้องการของมันต่อไปมันก็หมดกําลังลงแล้วมันมจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปเนี่ยตัวที่มารบกวนใจตัวที่มาสร้างสร้างความรับคานใจให้กับเราก็คือความอยากของเรานี่ที่เราต้องใช้สติกับใช้ปัญญาเป็นตัวสู้กับมันเท่านั้นอย่างอื่นสู้มันไม่ได้ตอนต้นก็ใช้สติสู้กับมันก่อน พุโทโธพุโทโธดูลมหายใจหยุดความคิดพอจิตไม่คิดความอยากก็หายไปใจก็สงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วพอมันเริ่มคิดใหม่ก็สอนให้มันคิดไปแบบไม่อยากคิดว่าสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวเราต้องเสียไปได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแฟนทิ้งเราเราจะรู้สึกยังไงตอนได้มาก็ดีใจโอ้ได้แฟน เดี๋ยวเกิดแฟนเบื่อเร า, เราทิ้งเราก็จะทำไงเตอนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีแฟนเราก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เพราะไม่มีใครจะมาทิ้งเรา <c oughs> เพราะเราไม่ไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเราอยากจะมีความสุขเราก็ไปพุโทโธของเราไปนั่งดูลมของเราดีกว่า <c oughs> ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะต่อไปก็เลิกความอยากต่างๆได้ พอไม่มีความอยากเราทีนี้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจแล้วอยู่ที่ไหนนั่งเฉยๆก็ไม่มีอะไรลบกวนใจสบายมีความสุขไม่ต้องทําอะไรนี่แหละความสุขอันมหัศจรรย์ไม่ต้องทําอะไรถ้าเราสามารถไปถึงจุดนี้ได้จุดที่ไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีอะไรมาทําให้เรารู้สึกหิวรู้สึกว่าเราขาดอะไร ตัวที่ทำให้เรารู้สึกขาดอะไรรู้สึกต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือความอยากนั่นเองมันหลอกเราเป็นความรู้สึกที่หลอกเราเพราะว่าได้มาแล้วมันก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่พอสักทีก็ยังขาดอยู่นั่นตอนนั้นคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาไปมีแฟนมีแฟนแล้วจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ก็สมบูรณ์เดียวเดียวเดี๋ยวก็รู้สึกขาดอะไรอีกะต้องมีลูกแล้วพยายามทาลูกกันอีก พ อ, อมีลูกแล้วทีนี้ก็ก็อยากจะให้ลูกดีอะไรแล้ ว, ลวต้องมาห่วงลูกอีกมาทุกข์กับลูกอีกต้องมาเลี้ยงดูลูกอีกมีอะไรปัญหาต่างๆตามมาร้อยแปดถ้าลองไปทําตามความอยากออแล้วเดี๋ยวเวลาแก่เวลาตายก็ต้องจากกันอีกแล้วออก็ต้องทุกข์ อ, อีกนะอันนี้มีแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นออออการมีอะไรนี่สรุปก็คือมีความทุกข์นั่นเอง เพราะสิ่งที่เรามีมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเปลี่ยนไปแรืวอจากเราไปหรือไม่ให้ความสุขกับเราเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆใช่ไหมของต่างๆที่เราซื้อมานี้เวลาได้มาใหม่ๆโอ้โ oh, หสุขมากพอได้มาสักพักเนี่เก็บไว้ในตู้แล้วไม่สนใจไม่เหลียวแลมนะันนะรองเท้าไม่รู้ซื้อมากี่คู่เสื้อผ้าไม่รู้ซื้อมากี่ชุด คือมาดีใจเดียวเดียวตอนได้มาใหม่ๆใส่ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วเก็บเข้าไปในตู้ออกไปหาซื้อชุดใหม่ให้เรื่อยๆนี่แหละคือความจริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความพอกับเราได้การที่จะทำให้เรามีความพอก็ต้องไม่มีความอยากต้องตัดความอยากไปให้ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วความพอมันก็เกิดขึ้นเอง ความอยากมันทำให้เรารู้สึกไม่พอแล้วพอเราคิดว่าพอเราได้สิ่งที่เราอยากแล้วจะทำให้เราพอมันก็ไม่พอเดี๋ยวมันก็อยากได้สิ่งใหม่ขึ้นใหม่อีกนะนี่คือการใช้ปัญญาขั้นต้นต้องมีสติทำใจให้สงบให้ได้ก่อนว่าเราต้องใช้สติมาสู้กับความอยากว่าเวลาเรามีความอยากแล้วเราคิดทางปัญญา อย่าไปทำตามความอยากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั่นมันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปเพราะว่าถ้าเรารักเราก็หวงเราก็หวงเวลาหวงก็ทุกข์แล้วเวลาหวงก็ทุกข์แล้วเวลาจากกันก็ทุกข์อีกแล้วเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันมีใครไม่จากกันบ้างเดี๋ยวถึงบั้นปลายของชีวิตก็ต้องจากกัน เขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนเขาไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายก็ต้องมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นพอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์กันมาเนพอเราเห็นว่ามันจะทาให้เราทุกข์เราก็ต้องฝืนความอยากด้วยการไม่ทำตามความอยาก วิธีที่จะทำให้เราไม่ทำตามความอยากได้เราก็ต้องมีสติควบคุมใจให้นิ่งให้เฉยนั่นเองให้ใจสงบให้ใจมีความสุขพอใจมีความสุขจากความสงบจากการใช้สติก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากทุกครั้งที่อยากก็ทำอย่างนี้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังมันจะไม่มารบกวนเราอีกต่อไป ไม่งั้นคนจะเลิกเดิมเดิมเล่าได้ยังไงคนจะเลิกเดิมสูบบุหรี่ได้ยังไงคนจะเลิกเที่ยวได้ยังไงคนจะเลิกทำอะไรที่เคยทำติดเป็นนิสัยได้ยังไงก็เพราะเขาไม่ทำตามเท่านั้นเองเพออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเหมือนพอไม่สูบไปสักพักความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปต่อไปเห็นบุหรี่ก็จะเฉยเฉย แต่ถ้ายังไม่เลิกสูบนี่พอเห็นบุรี่แล้วมือไม้สั่นขึ้นมาคนที่เคยกินเหล้าพอไม่ได้กินเหล้านี้มือไม้สั่นนะแต่พอเลิกดื่มได้แล้วไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรกับเหล้าเพราะเลิอกอยากได้เลิกความอยากได้หยุดความอยากได้ความอยากหายไปจากใจความอยากมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปทำซ้าๆบ่อยๆ คนที่ติดยาเสพติดใช่ไหมตอนท้านไม่เสพก็ไม่มีไม่มีปัญหาใช่ไหมพอลองไปลองไปเสพสักครั้งหนึ่งแล้วติดใจชอบพอชอบก็อยากเอาให้ครั้งที่สองพอครั้งที่สองครั้งที่สามทีนี้มันติดอ่ะมันอยะมันอยากว่ะพอไม่ได้แล้วมันรู้สึกหดเหยียดลำคานใจขึ้นมาน่ะมันต้องไปเอามาอยู่เรื่อยๆยิ่งยิ่งทํามากเท่าไหร่ยิ่งติด ยิ่งเลิกยากขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องมือเราสามารถเลิกสิ่งต่างๆที่เราติดได้หมดที่เราอยากได้หมดเครื่องมือก็คือสติและปัญญาสติไวคอยทำใจให้สงบเพื่อให้ใจไม่ทรมานเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปัญญาไวสอนใจบอกว่าการทำตามความอยากเป็นการพาไปสู่ความอยากความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ย อย่าไปทำเมืม่อเข้าใจเห็นด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่กล้าทำอพอไม่ทำตามความอยากที่โผล่มาเดี๋ยวมันก็เฉาไปเองพอเรามันอยากแล้วเราไม่ไปทำตามมันเดี๋ยวมันก็หยุดอยากมันเหนื่อยมันก็หยุดเองอเราไม่ไปสนใจกับมันเราพุโทโธพุโทโธงเราไปเข้าสมาธิของเราไปเราต้องเข้าสมาธิให้ได้ชนานาญก่อนถึงจะมาสู้กับความอยากได้ ถ้ายังไม่ชํานาญช่วงที่เกิดความอยากบางทีมันเข้าไม่ได้นะเพราะมันจะคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้งั้นเราต้องฝึกสมาธิให้มีกําลังให้มีความชํานาญที่เราสามารถสั่งให้ใจเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บก็เข้าสมาธิไปเลยเมื่อพิจารณาเห็นโทษของความอยากเราอย่าไม่ไปทําตามความอยากไม่ไปสนใจกับความอยากเราก็ ตัวไปเข้าสมาธิไปเหมือนกับความอยากเป็นเหมือนเพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวเราก็ อ, อกมาจะขอนอนดีกว่ากลับเข้าห้องนอนไปเดี๋ยวเพื่อนมันก็ไปเองมันไม่มันนอนอยู่สักพักเมื่อรู้ว่าเราไม่ไปกับมันเดี๋ยวมันก็ไปเองความอยากเมื่อมันรู้ว่าเราไม่ไปทำตามความอยากเดี๋ยวมันก็หายไปเองพอมันหายแล้วเราก็ออกมาจากสมาธิได้สบายไม่มีอะไรมารบกวน เราความอยากตัวใหม่พอมาก็หลบมันเข้าไปในสมาธิอีกต่อไปความอยากต่างๆที่เคยมาเยี่ยมเยียนเรามันก็จะไม่กลับมาพอมาแล้วเราไม่ไปกับมันมันก็ไม่รู้จะมาทำไมต่อไปเราก็จะสงบตลอดเวลาโดยมีความสุขตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องเข้าสมาธิออกจากสมาธิหรืออยู่ในสมาธิมันก็สงบเหมือนกัน เพราะความเราจะไม่คิดไปในทางความอยากเราจะคิดไปในทางที่จะไม่สร้างความอยากขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ยังใช้ความคิดอยู่แต่ท่านไม่ได้คิดไปเที่ยวไม่ได้คิดไปหาเงินทองไม่ได้คิดไปหาแฟนไม่ได้คิดไปหายศหาตำแหน่งอะไรต่างๆท่านคิดจะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากกว่าวันนี้จะไปสอนใครดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตื่นเช้าขึ้นมา คิดเรื่องนี้ก่อนเลงยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครวันนี้มีใครพร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนแล้วก็ไปทำหน้าที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่เป็นความอยากไปหาอาหารมาไม่เป็นความอยากถ้าเอามาเลี้ยงชีพแต่ถ้าไปหาอาหารเพราะอยากจะกินรสนั้นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นความอยากการบินทบาตก็รับอาหารมาตามมีตามเกิด ไม่หวังว่าจะต้องเป็นอาหารแบบนั้นอาหารแบบนี้ใครให้อะไรอยากให้อะไรก็ใส่ไปกลับมามีอะไรกินก็กินมันไปกินพอเหมือนกินยากินพอดับความหิวแล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานต่อนะพระพุทธเจ้ามีงานทำเวลาสามสี่สามรอบด้วยกันเดี๋ยวพอตอนบ่ายก็มีญาติโยมมาฟังเทศน์ตั้งสอนธรรมะตอนบ่าย ตอนคืนตอนกลางคืนตอนค่ำคืนก็สอนพระเนนพระภิกษุสามนเณรภิกษุณีตอนเด็กก็มีเทวดามาขอฟังเทศต่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านคิดแต่เรื่องทำงานทำประโยชน์ ไม่ได้คิดที่จะหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนพวกเรานะพวกเราวันวันหนึ่งตื่นก็มานี่เริ่มคิดก็เริ่มคิดว่าวันนี้จะไปหาเงินที่ไหนดีจะไปเพิ่มตำแหน่งได้อย่างไรจะเลื่อนขั้นเลื่อนยศได้อย่างไร จะไปมีหน้ามีตามีเกียรติมีรางวัลนับรางวัลได้อย่างไรไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูไปฟังอะไรดีคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ทั้งนั้นคิดแล้วก็ทำให้เราติดเนี่ยและพอไม่ได้ทำก็ทุกข์เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าพระาหลานนี้ไม่ท่านไม่เคยคิดเรื่องราบยศสรรเสริญสุขเลยเพราะท่านมีความสุขเหนือกับความสุข จากลาบยศสรรเสริญอยู่แล้วท่านเลยไม่ต้องไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญท่านมีความสุขจากนิบานังปลมังสุขขังจิตที่สงบจิตที่ไม่มีกิเลสเรียกว่านิพานจิตที่ไม่มีความอยากเรียกว่านิพานนิพานก็ให้ความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่าประมังสุขขังไม่มีสุขอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขของพระนิพาน จึงไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นเหมือนถ้าคุณมีมีของที่ดีวิเศษคุณจะออกไปหาของที่เลวกว่ามา ห, หมใช่ไมถ้ามีรถที่มีราคาดีกว่ารถที่ไม่มีราคาคุณจะไปเปลี่ยนรถตัอเปลาเรื่องอะไรไปเอาของดีไปแลกของไม่ดีพระพุทธเจ้าก็แบบนั้นนะท่านมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความสุขที่เหนือกว่าการเป็นม้าเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกความสุขที่เหนือกว่าความเป็นประธานาธิบดเีเป็นอะไรเป็นพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆเหล่านี้สู้ความสุขของพระนิพพานไม่ได้พอมีความสุขของพระนิพพานแล้วก็ไม่ไปหาอะไรนะถ้าจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำเพื่อตนเองนะทำเพื่อคนอื่นพอสงสารเห็นติดยังติดความสุข ยังติดกับความทุกข์ของลาบยศสรรเสริญอยู่ยังติดอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ก็<ส><ส>อยากจะมาช่วยให้เลิกติดเหมือนเห็นเหมือนคนที่เคยติดยาเสพติดแล้วรู้วิธีเลิกติดยาเสพติดก็อยากจะไปเพื่อช่วยเพื่อนที่ติดยาว่าเลิกเสพดีกว่ามาทำแบบนี้ทำแบบนี้ปั๊บเดี๋ยวก็หายหายจากการติดยาแล้วสบายกว่าอันนี้ก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็พอหลุดพ้นแล้วก็มาช่วยผู้ที่ยังติดอยู่ที่ยังติดกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะยังอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขอยู่พอร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาหาลาบยศสารเสริญสุขใหม่หามาอย่างนี้ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบนะแล้วจะต้องหาอย่างนี้ต่อไปเรื่อย แล้วทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันนี่คือเรื่องของเทวทูตสี่ที่เป็นตัวที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถานี้ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนได้ตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็มาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็เกิดจากการได้พบเทวทูตสี่นั่นเองพวกเราถ้าอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ไปหาเทวทูตสี่ส <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ทำให้เราเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับเราในภายภาคหน้าได้เห็นทางออกจากภัยอันนี้ด้วยการไปแสวงหาความสงบด้วยการอยู่แบบนักบวช พราการอยู่แบบนักบวชเท่านั้นถึงจะทําให้ใจเราสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าเราอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะมาคอยรอบกวนความสงบของเราเราต้องทิ้งทุกอย่างไปให้หมดเหมือนกับเจ้าชายเศรษฐาสลราราชสมบัติไม่เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่ชิ้นเดียวนี่แหละคือวิถีทางของนักปราชและท่านนําเอามา สอนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้เป็นนักปราชญ์เหมือนท่านต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจจโตสัพเปโเรนตตสังกปาจันโทปนาราโสยธาเมณีโชติาราโสยธาสัพพิตโยเววัจจันโต สัพพโรโคเวนะสัตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีลิษานิจังวุทฒาปจายโนจัตารโอธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวไม่มีหลังใหม่น ะ, ะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาทางวันนี้ทางบ้านติดตามกันเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา421ย t u b บ388วิทยุออนไลน์21 รับฟังข้างบนนี้42คนรวมทั้งหมด872ครับเมื่อวานนี้ถึงพันเลยใช่ไหมั้งพันมันทำงานนี้คนติดตามกันเยอะนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่หายหายไปไปต่างจังหวัดกันมไม่สะดวกไม่ได้อยู่กับที่พอทำงานอยู่กับที่เปิดบงังเปิดดูได้ ก็มีคำถามไหมโอลลเวียอันนี้ไม่มีโอเคคำถามจากทางอินบ็อกซ์คุณสุมาลีตนเองได้ปฏิบัติมานานพอสมควรตอนนี้ใช้บริกรรมพุทธโธ ท, ท้องพ่องยุบก็รู้ตอนนี้นั่งไปสักพักกายเบาเหมือนไม่มีกายลมหายไปคำบริกรรมหายไปมีความรู้สึกว่ายังนั่งอยู่ จะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ให้มันเบาให้มีสติรู้เฉยๆอย่าให้คิดปรุงแต่งถ้าคิดก็ต้องหยุดมันอยู่ที่ตัวความคิดเป็นหลักทำทั้งหมดนี้เพื่อหยุดความคิดถ้าไม่มีความคิดใจก็เบากายก็เบาลมจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้ความคิดหายไปให้สักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆ ถ้าเริ่มคิดก็ต้องใช้สติหยุดมันใหม่เอนั่งให้มันนานเอให้นั่งจนกระทั่งไม่มีความอยากจะลุกอยากจะนั่งอยากจะนั่งไปอย่างเดียวไม่อยากจะลุกเยแล้วก็จะได้สบายไม่มีความอยากมาคอยปรับดันให้ไปทํานู่นทํานี่คําถามจากคุณริกกี้ หากเราถนัดซ้ายตอนนั่งสมาธิสามารถเปลี่ยนเอาขาซ้ายทับขวามือซ้ายทับมือขวาได้หรือไม่ครับไม่เห็นมันเกี่ยวกันเลยถนัดซ้ายถนัดขวามันก็ขวาทับซ้ายเหมือนก็คทับได้เหมือนเดิมะแต่จะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายกันเรื่องของเราไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญอะไรการนั่งสมาธิไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่สติ ถ้านั่งดีขนาดไหนแต่ไม่มีสติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งแล้วคิดฟุ้งซ่านไปออนั้นท่านั่งนี้เป็นเพียงแต่เป็นท่าที่สบายที่เหมาะสมออสําหรับการนั่งสมาธิ เ, ออเป็นเวลายาวนานออนั่งค่ากัดสมาธินี้จะนั่งได้นานเราจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเหมือ น, นกับนั่งท่าอื่นนี้บางทีมันมีผลกระทบมากมา ก, มา ก, กว่า แต่แล้วแต่ไม่เป็นไม่เป็นประเด็นสำคัญอย่าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาหรือไม่นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความพอใจแต่ตัวสำคัญต้องมีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอย่านั่งแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปอย่างนั้นนั่งไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่สงบนะ คำถามจากคุณพิทักษ์จิตที่ว่างกับจิตที่สงบต่างกันไหมครับไม่หรอกมันก็ตัวเดียวกันนะจิตเมื่อมันว่างมันก็สงบมันไม่ว่างมันก็ไม่สงบคำถามจากคุณสวุวรรณาการภาวนาช่วยในการหยุดสัญญาในอดีตได้หรือไม่เจ้าคะเพราะตั้งแต่ปฏิบัติมาสัญญาต่างๆในอดีตผุดขึ้นมาตลอดเจ้าคะ มันผุดขึ้นมาเพราะเราไม่ควบคุมความคิดเนี่สแล้วเรามีสติควบคุมความคิดมันก็ไม่ผุดขึ้นมาเราะฉั้นมันอยู่ที่ว่าเรามีสติไม่มีสติถ้ามันผุดขึ้นมาก็แสดงว่าเราไม่มีสติภาวานาก็ไม่มีผลมีแต่มีแต่คําว่าภาวานาแต่ตัวภาวานาไม่มีตัวภาวานาก็คือตัวหยุดความคิดเนี่ยถ้าหยุดความคิดสัญญะความจำมัน อะไรมันก็หยุดตามไปด้วยมันมาเป็นพวงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาเป็นพวงเราหยุดตัวคิดแล้วมันก็หยุดตัวอื่นไปด้วยเหมือนพวงกุญแจถ้าเราจับตัวกุญแจดอกไหนดอกหนึ่งกุญแจที่อยู่ในพวงมันก็มาขับเราไปด้วยกันคำถามจากคุณจริงใจคำถามแรกเคยฟังพระอาจารย์สอนเรื่องบารมีสิบครับ ขอถามว่าเราสามารถใช้บา ร, รมีหบา ร, รมีที่เจริญเป็นขั้นตอนมาเป็นตัววัดการปฏิบัติของเราแบบกว้างๆ ว, ว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนไหนได้ใช่ไหมครับใช่ก็เป็นเหมือนกับเรียนหนังสือเราอยู่ปนหนึ่งหรือยอยู่มนหนึ่งหรือยอยู่ปีหนึ่งมันมีขั้นของมันขั้นตอนเรามีเมตตาหรื อ, อยังเราคิดลายต่อผู้อื่นหรือเราคิดดีกับผู้อื่น เมตตาก็คิดดีไม่คิดร้ายกับผู้อื่นพอมีเมตตาเราก็จะทาบุญทาทานได้รักษาศีลได้ว่าไปตามขั้นของมันคำถามที่สองขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความสำคัญของเมตตาบารมีครับก็นี่แหละเป็นขั้นที่หนึ่งอยากขึ้นไปสู่ขั้นที่สองที่สามมันก็ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อน ถ้าไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งก็ไ ม, ไม่จบปหนึ่งก็ขึ้นปอสองไม่ได้ต้องเรียนปอสองต้องเรียนปหนึ่งให้จบก่อนให้มีความเมตตาก่อนถึงจะทำทำทานได้รักษาศีลได้คำถามจากคุณพริดา ในเรื่องของการแผ่เมตตาขณะนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือไม่ครับหรือควรทำก่อนหรือออกจากสมาธิเนื่องจากชอบแผ่เมตตาตอนที่นั่งสมาธิรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะมากในการเจาะจงเพื่อแผ่ไปยังผู้รับครับอ๋อนั่นไม่ใช่เป็นการแผ่การแผ่เมตตาต้องเจอผู้รับต่อหน้ากันไม่ใช่มานั่งอยู่คนละทิศแล้วมาแผ่กันไงแผ่เมตตาไม่ได้แบบ แผ่แบบถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุมันไม่ใช่อย่างแผ่เมตตามันต้องเจอหน้ากันพอเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กันแผ่ไปเลยเสยิยิ้มให้ไปสบายดีด้วยครับมีข น, นมก็ฝากมาเอาข น, นมมาฝากเรียกว่าแผ่เมตตาเวลานั่งสมาธินี้ไม่ใช่เวลาแผ่เมตตา คำถามจากคุณปฐมพง์นั่งสมาธิแล้วอึดอัดแน่นที่ท้องครับแก้ไขอย่างไรไม่หายทั้งเปลี่ยนคำบริกรรมหรือใช้แค่ลมหายใจอย่างเดียวก็ยังอึดอัดเหมือนเดิมครับก็สวดมนต์ไปก่อนเนะหรือฟังเทศน์ไปก่อนเพราะว่าจิตมันดิ้นมันอยากจะทำนู่นทำนี่ชอบคิดนู่นคิดนี่พอมาบังคับมันมันก็เลยแสดงอาการออกมา งั้นก็ลองสวดมนต์ยาวๆไปสวดทิฏีิโสร้อยจบไปหรือฟังเทศฟังธรรมไปแล้วพออาการนั้นหายไปใจเบาใจสบายก็ค่อยมาพุโทโธหรือมาดูลมต่อคำถามจากคุณสุภพัฒย์ยมปฏิบัติแบบเห็นกายที่เคลื่อนไหวแบบนี้จะได้หรือไม่ครับวิธีนี้ทำให้เนิ่นช้าหรือเปล่าครับไม่ก็เป็นวิธีเจริญสติอีกแบบหนึง่ง ก า, การดูเ้าต้องไม่คิดด้วยถ้าดูแล้วคิดก็ใช้ไม่ได้นะดูร่างกายก็ต้องดูว่ามันกาลังทาอะไรเท่านั้นไม่ใช่ดูแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไปด้วยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูให้ดูให้ให้ใช้การดูร่างกายมาหยุดความคิดให้เราเจาะจงเฝ้าจดจ่อดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย เวลาเดินก็ดูว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวา้มันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ร้างหน้าก็ให้อยู่กับล่างหน้าแปลงฟันก็เหยอ่อ ก, การแปลงฟันอย่างนี้เรียกว่าการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งสติเป็นที่สร้างสติขึ้นมาแต่ต้องไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าไปคิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคาถามจากคุณเกตถ้าจะเริ่มนั่งสมาธิ ตอนนั่งต้องคิดถึงอะไรทำอย่างไรบ้างครับปกติจิตจะฟุ้งนั่งไม่ค่อยได้ครับตอนนั่งไม่ให้คิดไ ม, ไม่ให้ไปคิดอะไรให้หยุดคิดวิธียหยุดคิดก็ให้คิดพุดโทโธคาเดียวหรือให้อยู่กับดูลมหายใจอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องมาปนกันถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป ถ้าดูลมก็ดูลมเข้าลมออกไปที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกรู้แค่นี้ให้รู้อย่าคิดให้รู้ว่าลมเข้าลมออกหรือให้รู้พุโทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสบายเบามีความสุขคำถามจากคุณพระวีทมที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมต่อจากทานศีลภาวนาควรเริ่มที่ทมใดครับ ก็มีแค่สามนี่แหละจะทำทานตามโอกาสมีเงินทองแทนที่จะไปซื้อขนมก็เอาไปทำบุญแทนถ้าจะซื้อขนมก็อย่าซื้อมากินเองซื้อให้คนอื่นกินใช้เงินเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็รักษาศีลห้าไปมีเวลาว่างก็ไปอยู่วัดถือศีลแปด ไปฝึกสติสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่คือการปฏิบัติที่ต้องทำอย่างสม่าเสมอและทำให้มีมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับคำถามจากคุณจินตนานั่งสมาธิแล้วชอบเห็นภาพคนแปลกหน้ามาหาตลอดเลยเจ้าคะ่ะเป็นภาพหลอนหรือจิต ปรุงแต่งอย่างไรเจ้าคะ่ะไม่ต้องไปสนใจนังสมาธิมันใค้ดูลมหรือพุโทโธของเราไปมันจะเป็นอะไรไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือทําไงให้เราไม่ไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองวิธีไม่ไปยุ่งกับมันก็คือให้เรามาพุโทโธพุโทโธดูลมไป อย่าไปคิดว่ามันมาจากไหนจิตปรุงแต่งหรือยอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไปยุ่งกับมันล่ะก็ไม่ได้นั่งสมาธิล้วไปนั่งยุ่งกับภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมางั้นอย่าไปยุ่งกับมันมันจะมาไม่มาหรือบางทีมันไม่มาก็ถามอีกแล้วเอ๊ะทําไมวันนี้ไม่มาวะยุ่งกับมันทําไมอย่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้เราอยู่กับลมไปดูพุทธโธไป แล้วอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะมันเหมือนเมฆหมอกบนท้องฟ้าเราไปยุ่งกับเมฆหมอกบนท้องฟ้าเปล่าเอ้วันนี้ทําไมเมฆเป็นอย่างนี้ใครทําผลิตเมฆนี้ขึ้นมาไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกปล่อยมันมาปล่อยมันไปเรามีหน้าที่ทํางานของเราเราก็ทํางานของเราไปใช่ไหมเวลานั่งสมาธิงานของเราก็คือดูลมก็ดูลมไปพูดโธก็พูดโทไปส่วนอะไรจะมันโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันะะขัน้นเองง่ายๆ คำถามจากทางอินบ็อกซ์จากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเวลาอยู่กับสามีที่ใจร้อนมากๆมีวิธีควบคุมไม่ให้เราโกรธหรือโมโหตามเขาได้อย่างไรเจ้าคะเวลาโมโหใส่เราเพราะอะไรนิดอะไรหน่อยก็โวยวายเจ้าคะเราก็ต้องฝึกใช้สติเนี่ยพอโมโหขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปพอเราพุโทโธเราก็ไม่ไปรับรู้เรื่องของเขาพอเราไม่รับรู้เรื่องของเขาใจเราก็เย็น ใจเราล้อนเพราะเราไปรับรู้เรื่องของเขาแล้วร้อนเพราะว่าเราอยากให้เขาไม่ไม่เป็นอย่างนี้พอเขาเป็นอย่างนี้เราก็ร้อนขึ้นมางั้นเราต้องหยุดความร้อนที่ใจเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา เ, เขาจะร้อนเรื่องของเขาแต่เราทําใจเราให้เป็นน้ําแข็งไว้ใช้สติเป็นตัวผลิตน้ําแข็งผลิตความเย็ยนพุทโธพุทโธพุทโธไปท่องไปอหรือถ้า กกดีกั น, กกนไปคนละทางได้ก็ดีกันไปคนละทางเขาอยู่มุมนี้แล้วก็ไปอยู่อีกมุมนึ่งถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องเผชิญหน้ากันก็อย่าไ ป, ไปเผชิญหน้าจะดีกว่าเอแล้วทำแยากไปเรายังคิดถึงเขาอยู่ก็พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดอย่าไปคิดถึงเขาเดี๋ยวเดียวถ้าไม่คิดถึงเขานาทีสองนาทีมันก็หายไปแล้วมันก็ลืมไปแล้วหมดแล้วนะ นี่ยสติจึงเป็นธรรมันวิเศษพระพุทธเจ้าบอกสตินี้เป็นสิ่งที่จำเป็นทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีสติถึงจะทำได้ดีถึงจะทำได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวกเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะแยะไปหมดทำงานไม่มีสติเดี๋ยวก็ทำผิดพลาดเดินไม่มีสติเดี๋ยวก็ไปสะดุดหกล้มได้หัวทิ่มไปชนน่นชนนี่หัวแตกขึ้นมา ฝึกสติไว้แล้วจะมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันแล้วเวลาต้องการทำใจให้สงบ ก, ก็จะสงบง่ายเวลามีสติเวลาใจวุ่นวายก็หยุดมันง่ายเวลาโกรธก็หยุดมันได้เป็นยารักษาโรคใจต่างๆชั่วข่าวเป็นแบบชั่วขาว่าวยังไม่ได้เป็นแบบถาวรแต่ก็ต้องใช้แบบชั่วข่าวไปก่อนต้องอาศัยการหยุดแบบชั่วข่าว เราถึงจะมาใช้แบบถาวรได้ถาวรก็คือปัญญาต้องรู้จักเดบรู้จักหลีกอะไรไม่ดีอ่ะเข้าไปหามันบางทีเราไม่รู้เราคิดว่ามันดีแต่ความจริงเข้าไปแล้วถึงจะรู้ทีหลังว่ามันไม่ดีรู้อย่างงี้ไม่เอาดีกว่าแต่สายไปแล้วรู้อย่างงี้ไม่แต่งงานดีกว่าแต่แต่งไปแล้วจะทำยังไงเพราะไม่มีปัญญา ถ้ามีปัญญาจะรู้ว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนก็ต้องแบ่งใจเราเป็นสองซีกแล้วให้เขาไปครึ่งหนึ่งเ mm. มื่อก่อนใจเป็นของเราร0อยเพอร์เซ็นตพออยู่กับเขาก็เลยต้องแบ่งให้เขาไปครึ่งหนึ่งอยู่ดีๆก็ขาดทุนนะเป็นเรื่องาะไรไปขาดทุนทำไมแล้วเราก็ได้ใจมัเข้ามาครึ่งหนึ่ง <laughs> คําถามจากคุณ mm. กัละยารัฐ ลูกภาวนาโดยวิธีการดูจิตในการทำความดีแต่ไม่สงบแต่จิตอ่อนโอนต่อรอบข้างถ้าเป็นอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ่ะไม่ถูกอกอย่าไปดูให้หยุดมันให้ใช้พุโทโธหยุดมันให้ดูลมหายใจหยุดมันอย่าไปดูอะไรทั้งนั้นดูแล้วใจเรามีอารมณ์ตามมาเดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างเดี๋ยวกลัวบ้างเดี๋ยวหลงบ้างต้องหยุด หยุดความนักช<ถ>ังกลัวหลงแล้วใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะแข็งแกร่งจะไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆทั้งหลายที่ไปสัมผัสรับรู้ยันต้องใช้ฝึกสติให้มากให้ใจหยุดคิดหยุดอยากแล้วใจจะไม่มีความนักชังกลัวหลงคำถามจากคุณสิริ จิตกับอารมณ์ต่างกันไหมครับจิตก็เป็นเหมือนท้องฟ้าอารมณ์ก็เหมือนเมฆหมอกอารมณ์อยู่ในจิตอารมณ์ก็เกิดดับเกิดดับไปมาไปมาแต่จิตไม่ดับจิตเหมือนท้องฟ้าจิตมีอยู่ตลอดเวลาจิตรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ส่วนอารมณ์หรือความคิดต่างๆนี่ไปไปมามาเกิดดับเกิดดับเหมือนเมฆหมอกบนท้องฟ้า ท้องฟ้าคือใจหรือจิตนะส่วนเมฆหมอกนี่คืออารมณ์ต่างๆหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมไม่มีเดี๋ยวพูดต่ออยหน่อยยังเหลือเวลาเรื่องของจิตนี่วิธีที่จะรักษาจิตก็คือต้องทำจิตให้สงบนะอย่าไปคิดอย่าไปนึกอะไรพยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดให้มาก ถ้าต้องการคิดก็คิดเท่าที่จำเป็นคิดกับหน้าที่การงานที่เราต้องทำแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นอย่าไปคิดเพราะได้ไม่คุ้มเสียมีคำถามเข้ามามีครับ คำถามจากคุณทางของเราเองสะสมกำลังใจอย่างไรให้พอต่อการสละเรือนให้ได้ครับเพราะทุกวันนี้รู้สึกอยากปวดแต่เหมือนยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับก็ฝึกสติเนี่ยให้ใจสงบให้มากให้มีความสุขจากการความจากการทำความสงบได้แล้วมันก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ตอนนี้ความสุขจากการปฏิบัติยังน้อยอยู่ เรา ย, ยังไม่มีกำลังที่จะปรับดันให้จิตไปบวชได้แต่ถ้าเราเพิ่มฝึกอยู่ไปเรื่อยๆพยายามลดการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงเอาเวลามาเพิ่มความสุขทางการจากการทำใจให้สงบต่อไปจะมีความสงบมีความสุขมากขึ้นก็จะทิ้งสุขสิ่งทุกอย่างไปได้คำถามจากคุณแม็กซ์เวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนมีอะไรหมุน ไม่ต้องสนใจใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในใจให้สนใจอยู่กับลมหรือกับพุโทโธที่เราใช้เป็นอารมณ์ควบคุมใจเราเพียงอย่างเดียวก็พอนะแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้สิ่งต่างๆเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนเหมือนเมฆบอกในท้องฟ้าเดี๋ยวลมก็พัดหายไปหมดถ้าเรามีสติก็เหมือนลมนะ ลมก็จะพัดอารมณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่มีในใจที่ปรากฏขึ้นมาให้หายไปหมดได้ดีอีกไหมโอเค Is that all โอเคถ้นั้นก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ